ถรรมัยบัญญาตเรื่องความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรคือสตรีย่อมกําหนด 1. ความเป็นสตรีภายในตน 2. กิริยาของสตรี 3. ท่าทางของสตรี 4. ความไว้ตัวของสตรี 5. ความพอใจของสตรี 6. เสียงของสตรี 7. เครื่องประดับของสตรี ย่อมติดใจยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้นเธอผู้ติดใจยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้นย่อมกําหนด 1. ความเป็นบุรุษภายนอก 2. กิริยาของบุรุษ 3. ท่าทางของบุรุษ 4. ความไว้ตัวของบุรุษ 5. ความพอใจของบุรุษ 6. เสียงของบุรุษ 7. เครื่องประดับของบุรุษเธอย่อมติดใจยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นนั้นเธอผู้ติดใจยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นนั้นย่อมมุ่งหวังการเกี่ยวข้องภายนอกและมุ่งหวังสุขและสมณัตที่จะเกิดขึ้นเพราะการเกี่ยวข้องนั้นเป็นปัจจัยสัตว์ทั้งหลายผู้ยินดียิ่งในความเป็นสตรีย่อมเป็นผู้เกี่ยวข้องกับบุรุษทั้งหลาย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 เข<ฮ>าย่อมติดใจยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้นเขาผู้ติดใจยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้นย่อมกำหนด 1. ความเป็นสตรีภายนอก 2. กิร <Bu> ิยาของ ส, สตรี 3. ท่าทางของสตรี 4. ความไว้ตัวของสตรี 5. ความพอใจของสตรี 6. เสียงของสตรี 7.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 ล่วงพ้นความเป็นบุรุษไปไม่ได้อย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายความเกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้แลความไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไรคือสตรีย่อมไม่กำหนด 1. ความเป็นสตรีภายในตน 2. กิริยาของสตรี 3. ท่าทางของสตรี 4. ความไว้ตัวของสตรี 5. ความพอใจของสตรี 6. เสียงของสตรีเจ็ 7. เครื่องประดับของสตรีเธอย่อมไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้นเธอผู้ไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายในตนเป็นต้นนั้นย่อมไม่กำหนด 1. ความเป็นบุรุษภายนอก 2. กิริยาของบุรุษ 3. ท่าทางของบุรุษ 4. ความไว้ตัวของบุรุษ ความพอใจของบุรุษ 6. เสียงของบุรุษ 7. จเครื่องประดับของบุรุษเธอย่อมไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นนั้นเธอผู้ไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายนอกเป็นต้นนั้นย่อมไม่มุ่งหวังการเกี่ยวข้องภายนอกและไม่มุ่งหวังสุขและสมณะที่จะเกิดขึ้นเพราะการเกี่ยวข้องนั้นเป็นปัจจัย สัตว์ทั้งหลายผู้ไม่ยินดียิ่งในความเป็นสตรีย่อมเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับบุรุษทั้งหลายสตรีล่วงพ้นความเป็นสตรีไปได้อย่างนี้แลบุรุษย่อมไม่กำหนดหนความเป็นบุรุษภายในตน 2. องกิริยาของบุรุษ 3. ท่าทางของบุรุษสี่ความไว้ตัวของบุรุษ 5. ความพอใจของบุรุษ 6. เสียงของบุรุษ เเครื่องประดับของบุรุษเขาย่อมไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้นเขาผู้ไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษภายในตนเป็นต้นนั้นย่อมไม่กาหนด 1. ความเป็นสตรีภายนอก 2. กิริยาของสตรี 3. ท่าทางของสตรี 4. ความไว้ตัวของสตรี 5. ความพอใจของสตรี 6. เสียงของสตรี 7. เครื่องประดับของสตรีเขาย่อมไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายนอกเป็นต้นนั้นเขาผู้ไม่ติดใจไม่ยินดียิ่งในความเป็นสตรีภายนอกเป็นต้นนั้นย่อมไม่มุ่งหวังการเกี่ยวข้องภายนอกและไม่มุ่งหวังสุขและสมณัตที่จะเกิดขึ้นเพราะการเกี่ยวข้องนั้นเป็นปัจจัย สัสตว์ทั้งหลายผู้ไม่ยินดียิ่งในความเป็นบุรุษย่อมเป็นผู้ไม่เกี่ยวข้องกับสตรีทั้งหลายบุรุษล่วงพ้นความเป็นบุรุษไปได้อย่างนี้แหลภิกษุทั้งหลายความไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้แลภิกษุทั้งหลายธรรมบัรยายเรื่องความเกี่ยวข้องและความไม่เกี่ยวข้องเป็นอย่างนี้แลสังโยคสูตรที่8จบ สูตรว่าด้วยทานที่มีผลมากและทานที่ไม่มีผลมากสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณฝั่งสักคราโบคกรณีเขตกรุงจำปาครั้งนั้นแหลอุบาสกชาวกรุงจำปาจําจนวนมากเข้าไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วนั่งนัทที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระสารีบุตรดังนี้ว่าท่านผู้เจริญ เราทั้งหลายได้ฟังธรรมิกถาต่อพระพักพระผู้มีพระภาคผ่านมานานแล้วขอให้เราทั้งหลายได้ฟังธรรมิกถาของพระผู้มีพระภาคเถิดท่านพระสารีบุตรกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นท่านทั้งหลายควรมาในวันอุโบสถเถิดจะได้ฟังธรรมิกถาในสํานักของพระผู้มีพระภาคแน่นอนอุบาสกชาวกรุงจำปารับคําแล้วลุกจากที่นั่งอภิวาส ทำประทักษิณแล้วจากไปครั้นถึงวันอุโบสถอุบาสกชาวกรุงจำปาได้พากันไปหาท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่อภิวาทแล้วได้ยืนอยู่ณที่สมควรต่อจากนั้นท่านพระสารีบุตรพร้อมด้วยอุบาสกชาวกรุงจำปาเหล่านั้นเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาสแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญมีได้ไหมทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มากแต่ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมากมีอนิสงฆ์มากพระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่ามีได้สารีบุตรทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วไม่มีผลมากไม่มีอนิสงฆ์มาก แต่ที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมากมีอนิสงฆ์มากข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วไม่มีผลมากไม่มีอนิสง์มากอะไรหนอแหลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทานชนิดเดียวกันที่บุคคลบางคนในโลกนี้ถวายแล้วกลับมีผลมากมีอนิสงฆ์มาก สารีบุตรบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานอย่างมีใจเยื่อใยให้ทานอย่างมีจิตผูกพันให้ทานอย่างมุ่งหวังสั่งสมบุญให้ทานด้วยคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจากบริโภคผลทานนี้เขาจึงให้ทานนั้นคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพรามสารีบุตร เธอเข้าใจเรื่องนั้นอย่างไรคือบุคคลบางคนในโลกนี้ควรให้ทานเช่นนั้นหรือไม่ควรให้พระพุทธเจ้าค่ะสารีบุตรในการให้ทานเช่นนั้นบุคคลผู้ให้ทานอย่างมีใจเยื่อใหญ่ให้ทานอย่างมีจิตผูกพันให้ทานอย่างมุ่งหวังสั่งสมบุญให้ทานด้วยคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจากบริโภคผลทานนี้เขาให้ทานนั้นแล้วหลังจากตายแล้ว ย่อมไปเกิดร่วมกับพวกเทวดาชั้นจาตุมหาราชเขาให้กรรมนั้นสิ้นไปให้ฤทธิ์นั้นสิ้นไปให้ยศนั้นสิ้นไปให้ความเป็นใหญ่นั้นสิ้นไปเป็นผู้ยังต้องมาคือมาสู่ความเป็นอย่างนี้สารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ให้ทานอย่างไม่มีใจเยื่อใหญ่ให้ทานอย่างไม่มีจิตผูกพันให้ทานอย่างไม่มุ่งหวังสั่งสมบุญมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า เราละโลกนี้ไปแล้วจากบริโภคผลทานนี้แต่ให้ทานด้วยคิดว่าการให้ทานเป็นการดีละถึงสารีบุตรส่วนบุคคลบางคนใ น, ในโลกนี้ให้ทานอย่างไม่มีใจเยื่อใ่ให้ทานอย่างไม่มีจิตผูกพันให้ทานอย่างไม่มุ่งหวังสั่งสมบุญมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราละโลกนี้ไปแล้วจากบริโภคผลทานนี้ทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า การให้ทานเป็นการดีแต่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้ทานเคยทําทานเราไม่ควรให้วงตระกูลเก่าแก่เสื่อมเสียไปละถึงสารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงทั้งไม่ใช่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้ทานเคยทําทาน เราไม่ควรให้วงตระกูลเก่าแก่เสื่อมเสียไปแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควรละถึงสารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงทั้งไม่ใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้ ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่ชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควรแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเราให้ทานและจำแนกทานนี้เหมือนเหรลรือฤษีนิปางก่อนคืออธกะฤษีวามกะฤษีวามเทวะฤษีเวสามิตืฤษียมตัตคืฤษีอังคีรษะฤษี พระธวัชฤรศีวาเสตระศีกัสปะเรศีและพระคุเรศีได้บูชามหายันแล้วฉะนั้นละถึงสารีบุตรส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงทั้งไม่ใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราจะให้ทานและจำแนกทานนี้เหมือนเหล่าเรศีในปางก่อนคืออัฐกะเรศีวามกะเรศี วามเทวะรสีเวสามิตะฤรศีเยมาทักคิเรสีอังคี ร, ะรสะฤรศีภารัวาชะเรศีวาเสถะเรสีกัสปะเรษีและพะคุือษีได้บูชามหายันแล้วแต่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมผ่องใสจะเกิดความชื่นชมโสมนัสและถึงสารีบุตร ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี้ละถึงทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเมื่อเราให้ทานนี้จิตย่อมผ่องใสจะเกิดความชื่นชมโสมนัสแต่ให้ทานเป็นเครื่องประดับจิตปรุงแต่งจิตเขาจึงให้ทานนั้นคือข้าวน้ำผ้ายานดอกไม้ของหอมเครื่องลูบไล้ที่นอนที่พักและเครื่องประทีบแก่สมณะหรือพรามสารีบุตร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 การให้ทานเป็นการดีมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าบิดามารดาปู่ย่าตายายเคยให้า arn, ท, ทานเคยทําทานเราไม่ควรให้วงตระกูลเก่าแก่เสื่อมเสียไปมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่าเราหุงหากินเองได้ชนเหล่านี้หุงหากินเองไม่ได้การที่เราหุงหากินเองได้จะไม่ให้ทานแก่นชนเหล่านี้ผู้หุงหากินเองไม่ได้ไม่ควรมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า เราจะให้ทานและจำแนกทานนี้เหมือนเหล่าฤาษีในปางก่อนคืออัตกะฤาษีวามกะฤาษีวามเทวฤาษีเวสามิตะฤาษียมตักขิฤาษีอังคีรสะฤาษีภารทวาชะฤาษีวาเสตทะฤาษีกัสปะฤาษีและพคุฤาษีได้บูชามหายาณแล้วทั้งมิใช่ให้ทานด้วยคิดว่า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 นันทมาตาสูตรว่าด้วยอริยธรรมของนันทมาตาอุบาสิกาข้าพเจ้าได้สะดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งท่านพระสารีบุตรและท่านมหาโมคคลานะจะริกไปในทักขิ น, นาคีรีชนบทพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นแลในเวลาใกล้รุ่งนันทมาตาอุบาสิกาชาวเมืองเวลุกันตะกะ ลุกขึ้นสวดปารายณะสูตรเป็นธรรมนองสรพัญญะท้าเวสวรามหาราชมีโกรณียกิจบางอย่างเสด็จจากทิศเหนือไปยังทิศใต้ได้สดับเสียงของนันธมาตาที่กําลังสวดปารายณะสูตรเป็นทํานองสารพัญญะได้ประทับยืนสดับจนสวดจบครั้นนันธมาตาอุบาสกาสวดปารายณะสูตรเป็นทํานองสรพัญญะจบแล้วก็นิ่งอยู่ ท้าเวสสวรมหาราชทรงทราบว่านันทมาตาอุบาสิกาสวดจบจึงอนุโมทนาว่าดีละน้องหญิงดีละน้องหญิงท่านผู้มีพักผ่องใสนี้คือใครเราคือเวสสวรมหาราชพี่ชายของเธอท่านผู้มีพักผ่องใสดีละถ้าเช่นนั้นขอธรรมบัญญัติที่ดิฉันสวดนี้จงเป็นเครื่องต้อนรับท่านดีละน้องหญิงนั่นแหละ จงเป็นเครื่องต้นรับเราพรุ่งนี้ภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าจากมาถึงเมืองเวลุกันตะกะเธอพึงอังฆาภิกษุสงฆ์นั้นอุทิศทักษิณาทานแก่เราการทำอย่างนี้จะเป็นเครื่องต้นรับเราครั้นคืนนั้นผ่านไปนั้นทมาตาอุบาสิกาได้จัดของขบฉันอย่างดีไว้ในนิเวศของตน ลำดับนั้นแลภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันชันอาหารเช้าก็ได้เดินทางมาถึงเมืองเวลุกันตะกะนันทมาตาอุบาสิกาจึงเรียกบุรุษคนหนึ่งมาสั่งว่ามานี่พ่อหนุ่มเธอจงไปยังอารามบอกพัตตการเวลาชันอาหารแก่ภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญได้เวลาแล้ว พัฒหาในนิเวศของคุณแม่นันทมาตาอุบาสิกาเสร็จแล้วบุรุษนั้นรับคำแล้วก็ไปยังอารามบอกพัตการแก่ภิกษุสงฆ์ว่าท่านผู้เจริญได้เวลาแล้วพัฒหาในนิเวศของคุณแม่นันทมาตาอุบาสิกาเสร็จแล้วครันเวลาเช้าภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคลานะเป็นประธานครองอันตรวาสกถือบาทและจีวร เข้าไปยังนิเวศของนันทมาตาอุบาสกาแล้วนั่งบนอาสนะที่ปู่ลาดไว้ลำดับนั้นแหละนันทมาตาอุบาสกาได้อังฆ่าภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานให้อิ่มน้ำสำราญด้วยของเคี้ยวของฉันอันปราณี ด, ด้วยมือตนเองเมื่อท่านพระสารีบุตรฉันเสร็จวางมือจากบาท นันทมาตาอุบาสิกาจึงนั่งนทที่สมควรที่ใดที่หนึ่งซึ่งต่ำกว่าท่านพระสารีบุตรได้ถามนันทมาตาอุบาสิกาว่านันทมาตาใครบอกการมาของพิสุสงฆ์แก่เธอนันทมาตาอุบาสิกาตอบว่าหนึ่งท่านผู้เจริญขอโอกาสเจ้าค่ะในเวลาใกล้รุ่งดิฉันลุกขึ้นสวดปารายณะสูตร เป็นทำนองสรพัญญะจบแล้วได้นิ่งอยู่ขณะนั้นท้าวเวสวรรณมหาราชทรงทราบว่าดิฉันสวดจบแล้วจึงอนุโมทนาว่าดีละน้องหญิงดีละน้องหญิงดิฉันจึงถามว่าท่านผู้มีพักผ่องใสนี้คือใครท้าวเวสวรรณตอบว่าเราคือเวสวรรณมหาราชพี่ชายของเธอดิฉันกล่าวว่าท่านผู้มีพักผ่องใส ดีละถ้าเช่นนั้นขอธรรมบัญญายที่ดิฉันสวดนี้จงเป็นเครื่องต้อนรับท่านเท้าเวสวั์ตอบว่าดีละน้องหญิงนั่นแหละจงเป็นเครื่องต้อนรับเราพรุ่งนี้ภิกษุสงฆ์มีท่านพระสารีบุตรและท่านพระโมคคัลลานะเป็นประธานยังไม่ทันฉันอาหารเช้าจากมาถึงเมืองเวลุกันตะกะเธอพึงอังค่าภิกษุสงฆ์นั้นอุทิศทักษิาทานแกเรา การทำอย่างนี้จะเป็นเครื่องต้อนรับเราท่านผู้เจริญขอบุญอันมีผลมากในทานนี้จงอํานวยผลเพื่อความสุขแด่ท้าวเวสวรรณมหาราชเถิดนันทมาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏที่เธอเจรจากันต่อหน้าท้าวเวสวรรณมหาราชผู้เป็นเทพบุตรมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้ 2. ท่านผู้เจริญ ธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ธรรมที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะดิฉันมีบุตรคนเดียวชื่อนันทะเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจพระราชาได้กดขี่ข่มเหงฆ่าเธอเพราะสาเหตุเพียงนิดเดียวเมื่อเด็กนั้นถูกจับแล้วก็ตามกำลังถูกจับก็ตามถูกฆ่าแล้วก็ตาม กำลังถูกฆ่าก็ตามถูกประหารแล้วก็ตามกำลังถูกประหารก็ตามดิฉันไม่รู้สึกว่าจิตจะวันไหวเลยนันทมาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตตุบาทเธอก็ทำให้บริสุทธิ์ได้สท่านผู้เจริญทําที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ทําที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉัน แม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะสามีของดิฉันตายแล้วไปเกิดเป็นยักษ์ตนหนึ่งมาปรากฏตัวอย่างเดิมให้ดิฉันเห็นดิฉันไม่รู้สึกว่าจิตจะวันไหวเพราะเหตุนั้นเลยนั้นถ้ามาตาหน้าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตตุบาทเธอก็ทำให้บริสุทธิ์ได้ 4. ท่านผู้เจริญทาที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉัน ม่ใช่มีเท่านี้ทำที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะนับแต่เวลาที่สามีหนุ่มนำดิฉันผู้ยังเป็นสาวมาดิฉันไม่เคยคิดที่จะประพฤตินอกใจสามีเลยไหนเลยจะประพฤตินอกใจด้วยกายเล่านั่นถ้ามาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตุบาเธอก็ทาให้บริสุทธิ์ได้ 5. ท่านผู้เจริญทำที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ทำที่น่าอัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะเมื่อดิฉันแสดงตนเป็นอุบาสิกาแล้วไม่รู้สึกว่าได้จงใจล่วงละเมิดศีลบทเลยนันทามาตาน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏแม้เพียงจิตตุบ า, เาทเธอก็ทาให้บริสุทธิ์ได้ ท่านผู้เจริญทำที่น่าอาัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันมิใช่มีเท่านี้ทำที่น่าอาัศจรรย์ไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นยังมีอยู่ขอโอกาสเจ้าค่ะดิฉันยังหวังว่าเราจะต้องสงัดจากกรามและกุศลธรรมทั้งหลายบรรลุปฐมฌานที่มีวิตกวิจาร์ปิติและสุขอันเกิดจากวิเวกอยู่เพราะวิตกวิจารสงบระ ง, งับไป บรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสในภายในมีภาวะที่จิตเป็นหนึ่งผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารมีแต่ปิติและสุขอันเกิดจากสมาธิอยู่เพราะปิติจางคลายไปมีอุเบกขามีสติสัมปัญญาสวยสุขด้วยนามกายบรรลุตติยฌานที่พระอริยะสรรเสริญว่าผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขเพราะละสุขและทุกข์ได้ เพราะโสมนัสและโทมนัสดับไปก่อนแล้วบรรลุจตุทถฌานที่ไม่มีทุกข์ไม่มีสุขมีสติบริสุทธ์พระอุเบขาอยู่นันทมาตาหน้าอัศ จ, จริงไม่เคยปรากฏเจ็ดท่านผู้เจริญทาที่หน้าอัศจรไม่เคยปรากฏของดิฉันม่ใช่มีเท่านี้ทาที่หน้าอัศจรไม่เคยปรากฏของดิฉันแม้อย่างอื่นก็ยังมีอยู่ บรรดาสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วดิฉันไม่เห็นสังโยชน์อะไรในตนเองที่ยังละไม่ได้นันทมาตาน่าอัศจริงไม่เคยปรากฏลำดับนั้นแหลท่านพระสารีบุตรได้ชี้แจงให้นันทมาตาอุบาสกาเห็นชัดชวนใจให้อยากรับเอาบปปฏิบัติเร้าใจให้อาจหารแกล้ า, ลาปลอบฉลมใจให้สดชื่นร่าเริงด้วยธรรมมีคถา ลุกจากอาสนะแล้วจากไปนันทมาตาสูตรที่10จบมหายัญยวักที่หจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. สัตวิญญาณติติสูตร 2. สมาธิปริคารสูตรสามปฐมมัคคิสูตร 4. ทุติยะอัคิสูตร 5. ้าปฐมสัญญาสูตร 6. ทุติยสัญญาสูตร 7. เมถุนสูตร 8. สังโยคสูตร 9. าทานมหผลสูตร 10. นันธมาตาสูตร 10. ปันนา จ, จบ พยากตะวัหมวดว่าด้วยเรื่องที่ไม่พยากรณ์หนึ่งอยากตะสูตรว่าด้วยเรื่องที่ไม่พยากรณครั้งนั้นแลภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาตแล้วนั่งณนาที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พระอริยสาวกผู้ได้สดับไม่เกิดความลังเลสงสัยในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าภิกษุเพราะทิฏฐิดับไปอริยสาวกผู้ได้สดับจึงไม่เกิดความลังเลสงสัยในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์คือหนึ่งทิฏฐินี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกทิฏฐินี้ว่า หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกทิฏินี้ว่าลหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกทิฏินี้ว่าหลังจากตายแลแ้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ปุตุชนผู้มิได้สดับย่อมไม่รู้ชัดทิฏิไม่รู้ชัดเหตุเกิดทิฏิไม่รู้ชัดความดับทิฏิไม่รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทิฏิ ทิฐินั้นย่อมเจริญแก่เขาเขาย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติความเกิดเชราความแก่มรณะความตายโสกะความเศร้าโศกปริเทวะความครื่มครวญทุกข์ความทุกกายโทมนัสความทุกใจและอุปายาตความขับแค้นใจเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์ส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับย่อมรู้ชัดทิฐิ รู้ชัดเหตุเกิดทิฐิรู้ชัดความดับทิฐิรู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทิฐิทิฐิของอริยสาวกนั้นย่อมดับไปเขาย่อมหลุดพ้นจากชาติชรามรณะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นจากทุกขอริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ย่อมไม่พยากรณ์ว่า หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกไม่พยากรณ์ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกไม่พยากรณ์ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกไม่พยากรณ์ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่อริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ เป็นผู้ไม่พยากรในเรื่องที่ไม่ควรพยากรเป็นธรรมดาอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ย่อมไม่หวาดหวันว่นไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่สะดุ้งในเรื่องที่ไม่ควรพยากรคือสองตัณหานิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและถึงสามสัญญานิว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก สความเข้าใจนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก 5. ความปร er ุงแต่งนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีก 6. อุปาทานนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกละถึง 7. วิปติสารความเดือดร้อนใจนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกวิปติสารนี้ว่า หลังจากตายแล้วตถาคตไม่เกิดอีกวิปติสารนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและไม่เกิดอีกวิปติสารนี้ว่าหลังจากตายแล้วตถาคตจะว่าเกิดอีกก็ไม่ใช่จะว่าไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่ปุถุชนผู้มิได้สดับย่อมไม่รู้ชัดวิปติสารไม่รู้ชัดเหตุเกิดวิปติสารไม่รู้ชัดความดับวิปติสาร ไม่รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับวิปติสารวิปติสารนั้นย่อมเจริญแก่เขาเขาย่อมไม่หลุดพ้นจากชาติชารามรณนะโศกะปริเทวะทุกข์โทมนัสและอุปาญาตเรากล่าวว่าไม่หลุดพ้นจากทุกข์ส่วนเอเรียสาวกผู้ได้สดับย่อมรู้ชัดวิปติสารรู้ชัดเหตุเกิดวิปติสารรู้ชัดความดับวิปติสาร รู้ชัดข้อปฏิบัติให้ถึงความดับวิปติสารวิปติสารของอริยสาวกนั้นย่อมดับไปเขาย่อมหลุดพ้นจากชาติและถึงเรากล่าวว่าย่อมหลุดพ้นจากทุกอาริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ย่อมไม่พยากรว่าหลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกและถึงไม่พยากรว่า หลังจากตายแล้วตถาคตเกิดอีกก็ไม่ใช่ไม่เกิดอีกก็ไม่ใช่อริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้เป็นผู้ไม่พยาก он, รณ์ในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์เป็นธรรมดาอย่างนี้อริยสาวกผู้ได้สดับรู้อย่างนี้เห็นอย่างนี้ย่อมไม่หวาดหวั่นไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่สะดุ้งในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์ภิกษุ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อริยสาวุู้ได้สดับไม่เกิดความลังเลสงสัยในเรื่องที่ไม่ควรพยากรณ์พยยกตะสูตรที่หนึ่งจบ 2. ปุริสักติสูตร ว่าด้วยคติของบุรุษภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงคติของบุรุษเจ็ดประการและอนุปาทาปรินิพานเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะ ก, กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าคติของบุรุษเจ็ดประการอะไรบ้างคือหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมจากไม่มีอัตภาพของเราก็จักไม่มีเราย่อมละเบญจขันธ์ที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ย่อมได้อุเบกขาเธอไม่ติดใจในภพไม่ติดใจในสมภพเห็นทางที่สงบอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชอบเธอยังไม่ได้ทําให้แจ้งทางที่สงบนั้นโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละมานานุสัย อนุสัยคือความถือตัวโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละภวะราคาอนุสัยอนุสัยคือความติดใจในภพโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละอวิชานุัยอนุสัยคืออวิชาโดยประการทั้งปวงเพราะสังโยชน์เบื้องต่ำห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปรินิพพายีภิกษุทั้งหลายเมื่อช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดวัน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 เธอยังไม่ได้ทําให้แจ้งทางที่สงบนั้นโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละมานานุสัยโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละภวะราคานุสัยโดยประการทั้งปวงยังไม่ได้ละอวิชานุสัยโดยประการทั้งปวงเพราะสังโยชน์เบื้องต่ํห5ประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปรินิพพายี่ 2. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่า ถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีถ้ากรรมจักไม่มีอัตภาพของเราก็จักไม่มีเราย่อมละเบญจขันธ์ที่มีอยู่เป็นอยู่ได้ย่อมได้อุเบกขาเธอไม่ติดใจในภพไม่ติดใจในสมภพเห็นทางที่สงบอย่างยิ่งด้วยปัญญาอันชบอบยังงมิได้ทำให้แจ้งทางที่สงบนั้นโดยประการทั้งปวงยังมิได้ละมา น, านุสัยโดยประการทั้งปวง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 ถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีและถึงเพราะสังโยชน์เบื้องตามหประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปรินิพพายี 3. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีละถึงเพราะสังโยชน์เบื้องตามหประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปรินิพพายี ภิกษุทั้งหลายเมื่อช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดวันสเก็ตร่นกระเด็นออกตกลงไม่ถึงพื้นแล้วก็ดับไปแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีละถึงเพราะสังโยชน์เบื้องต่มห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอันตราปรินิพพายีสี่ 4. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีและถึงเพราะสังโยชน์เบื้องตามห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอุปหัจจะปรินิพพายีภิกษุทั้งหลายเมื่อช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดวันสะเก็ดร่อนกระเด็นออกตกลุงถึงพื้นแล้วดับไปแม้ฉันใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกัน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 เธอจึงเป็นอสังขาระปรินพายีภิกษุทั้งหลายเมื่อช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดวันสเก็ตร่อนกระเด็นออกแล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆทาให้เกิดไฟบ้างทาให้เกิดควันบ้างไม่กองหญ้าหรือกองไม้เล็กๆนั้นให้หมดไปแล้วจึงดับไปเพราะหมดเชือ้อแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่า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 เมื่อช่างตีแผ่นเหล็กที่ถูกเผาตลอดวันสะเกดร่อนกระเด็นออกแล้วตกลงที่กองหญ้าหรือกองไม้ใหญ่ๆทาให้เกิดไฟบ้างทาให้เกิดควันบ้างไม่กองหญ้าหรือกองไม้นั้นให้หมดไปไม่กอไม้บ้างไม่ป่าไม้บ้างครั้นแล้วจึงลามมาถึงยอดหญ้าสดปลายทางยอดภูเขาริมน้ำหรือภูมิภาคที่น่ารื่นรม แล้วจึงดับไปเพราะหมดเชื้อแม่ฉันใดภิกษุก็ชั้นนั้นเหมือนกันปฏิบัติด้วยคิดอย่างนี้ว่าถ้ากรรมไม่มีแล้วอัตภาพของเราก็ไม่พึงมีละถึงเพราะสังโย์เบื้องตามห้าประการสิ้นไปเธอจึงเป็นอุททางโสตอากนิธาคามีภิกษุทั้งหลายคติของบุรุษเจ็ประการนี้แหลอนุปาธาปริพานเป็นอย่างไร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 และมานานุสัยโดยประการทั้งปวงได้และภวะราคานุสัยโดยประการทั้งปวงได้และอวิชานุสัยโดยประการทั้งปวงได้ทำให้แจ้งเจโตวิมุตตปัญญาวิมุตตอันไม่มีอาสะวะเพราะอาสะวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันนี้เรียกว่าอนุปาธาปรินิพานภิกษุทั้งหลาย คติของบุรุษเจ็ดประการและอนุปาธาปรินิพานเป็นอย่างนี้แลปุริสกคติสูตรที่สองจบ